เด็กนักเรียนมัธยมคนหนึ่งนะชื่ออาดปกติเวลาปิดเทอมแกก็ชอบท่องเที่ยว เ, ยเดินทางไปตามต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยเจอคนต่างชาติที่ห ล, หลงทางแกก็มีน้ำใจนะช่วยบอกทางบอกว่าเนี่ยขึ้นรถไฟตรงนั้นหรือขึ้นรถขึ้นรถเม์ตรงนี้ แกก็มีความสุขนะที่ได้ช่วยเหลือคนต่างชาติหรือว่าคนที่มีปัญหามีปีนี้เ น, นี่ยนะตอนปิดเทอมแกได้ข่าวว่ามีการรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีแกเกิดสนใจขึ้นมานะนแทนที่จะใช้เวลาช่วงปิดเทอมไปเที่ยวตามที่ต่างๆ ตามปกติก็มาเป็นติดอาสาเพราะว่าชอบช่วยคนอยู่ละงานที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยจำนวนมากนี้ก็มาจากต่างจังหวัดและไม่ค่อยรู้ระบบของโรงพยาบาลจะไปรับบัตรคิวที่ไหน ได้บัตรคิวแล้วต้องทำยังไงหรือจะไปเจาะเลือดเจาะเลือดที่ห้องไหนหรือจะไปพบหมอที่ห้องไหนนี่บางทีเขาไม่รู้เพราะระบบของโรงพยาบาลามันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่ค่อยคุ้นเคยและจิตอาสาเนี่ยก็มาช่วยเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยนะ แนะนำให้ไปช่องนั้นแนะนำให้ทำอย่างนี้แกก็มีความสุขดีนะแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนแก่แล้วก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเงเงินเงินะไม่ค่อยรู้ถึงระบบโรงพยาบาล เวลาชี้แจงเวลาแนะนำก็ไม่ค่อยเข้าใจทีแรกนะอาจเขาก็หงุดหงิดนะว่าทำไมพูดแค่นี้ไม่เข้าใจแต่ตอนหลังก็กลับมาพิจารณาตัวเองว่า เ, เราอธิบายชัดเจนพอหรือเปล่านะเราพูดเร็วไปไหม แล้วพอหันมาสังเกตตัวเองก็เริ่มปรับตัวนะพูดดังขึ้นเพราะคนแก่นี่ยหูไม่ค่อยดีแล้วก็พูดช้าลงแล้วก็ฟังมากขึ้นรากว่าพอทำอย่างนี้เข้านะผูออ้ป่วยรวมทั้งยา น, นี่ก็สามารถจะ ไปรับบริการโรงพยาบาลได้สะดวกขึ้นและแกก็พบว่าพอทำอย่างนี้นะไปนานๆเข้านะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแม่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอัดเดี๋ยวนี้เนี่ยใจเย็นขึ้นมีเหตุมีผลขึ้นนะแต่ก่อนนี่บูวามขี้โมโห อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชายหนุ่มวันนี้แกก็เพิ่งสังเกตนะว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะตั้งแต่มาเป็นจิตอาสาจากเดิมที่เป็นคนขี้งุนงิดนะก็ใจเย็นขึ้นแต่ก่อนพูดเร็วนะใจร้อนเดี๋ยวนี้ก็พูดช้าลงใจเย็นขึ้นแล้วก็มีเหตุมีผล หรือใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นนะกู้งานคือไม่เอาใจตัวไม่เอาความรู้สึกตัวเพราะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่คนหนึ่งก็รับรู้ได้นะโดยเฉพาะแม่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกเนะี่ยความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายคนนะถึงแม้ว่าจะเป็นจิตอาสาที่ทำงานต่างที่ต่างแห่ง อย่างน้องได้เนี่ยเป็นนักเรียนอายุสิบสี่เนี่ยไปเป็นจิตอาสาที่บ้านเด็กอ่อนศูนย์เด็กอ่อนบ้านปักเกร็ดนะที่นั้นเนี่ยเด็กอ่อนเยอะนะเด็กเล็กก็มากเรียกว่าบรรยากาศที่แตกต่างจาก ที่โรงพยาบาลร้อยวิถีเลยนะร้อยโรงพยาบาลร้อยวิถีนี่คนแก่เยอะแต่ว่าที่บ้านปากเกร็ดนี่เด็กๆทั้งนั้นแล้วพอน้องได้นี่ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยฮุยช่วยเล่นไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กบอกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงนะที่แรกเจ้าตัวไม่รู้หรอกนะแต่ว่าแม่นี่รู้นะ แม่บอกเดี๋ยวนี้น้องได้เนี่ยใจเย็นนะมีเหตุมีผลมากขึ้นพูดง่ายคือว่าใช้อารมณ์น้อยลงหรือว่าฉุนเฉียวน้อยลงนะเออมันก็คล้ายๆกับความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของแม่ของน้องกัดเลยนะน้องอัดนะทั้งที่ทำงานกับคนละกลุ่มนะ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือว่าใจเย็นขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นนะแม่พูดถึงน้องได้วันนีนะ้เดี๋ยวนี้ก็นิ่งนะสุ ข, ขุมนะแล้วก็ไม่วู่วามนะเหมือนแต่ก่อนมีจิตอาสาหลายคนนะแม้จะต่างวัยนะแต่ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันใหญคนหนึ่งเนี่ยชื่อกบเนี่ย เป็นผู้ชายนะเป็นนักธุรกิจอายุเกือบ4ี่สิบแล้วก็เป็นพี่เลี้ยนงะเด็กที่บ้านปักเกตเหมือนกันเวลาเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็ต้องมาประจำนะอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็มาต่อเนื่องอย่างน้อยก็สามเดือนบอกว่าพอเป็นจิตอาสาไม่ได้พักหนึ่งเลยนะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยพูดจานุ่มนวลขึ้น แต่ก่อนนี่เวลาเจอลูกน้องนี่ก็พูดจะหุ้นหุ้นมันที่ก็ใช้อารมณ์แต่ตัวเขาเองรวมทั้งลูกน้องก็พบว่านเนี่ยพี้กบเนี่ยหรือพี่กบนี่พูดจานุ่มนวลขึ้นนะไม่กระโชหกหักหรือว่าไม่พูดตามอารมณ์เหมือนเมื่อก่อน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กบเขาสังเกตได้เหมือนกันว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองแล้วเขาอธิบายว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเนี่ยเวลาอยู่กับเด็กเนี่ยจะผงผางเหมือนก่อนหรือเหมือนปกติไม่ได้นะก็ต้องใจเย็นจะทำอะไรเร็วๆแรงๆก็ไม่ได้ต้องนุ่มนวลพอทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆว่า ความคุ้นเคยแล้วไม่ได้คุ้นเคยแบบนี้กับเด็กเท่านั้นนะกับคนอื่นนะก็นุ่มนวลมากขึ้นนะผงผางน้อยลงอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นนะกับหลายคนที่เป็นจิตอาสานะบางคนเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเชื่อมั่นในตัวเองมาก เวลาทำงานกับลูกน้องนี่ก็ไม่ค่อยฟังใครสั่งอย่างเดียวถ้าลูกน้องไม่ทำตามก็หรือทำไม่ได้อย่างใจก็โมโหแต่ว่าพอมาไปจิตอาสาให้กับดูแลเด็กนะบอกว่าขุนหานพันแล่นน้อยลงนะและคล้ายๆกันคือใจเย็นมากขึ้นจนใครๆก็ สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่เรนเชื่อ เ, เลยนะว่าเวลาคนเราเนี่ยทาอะไรเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยในตัวของผู้ที่ไปช่วยคนอื่นด้วยเหมือนกับว่าเมื่อช่วยคนอื่นมันก็จะกลับมาช่วยตัวเอง โ่วยตัวเองที่ว่านี่ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมากขึ้นนะหรือว่ามีโชคมีลามมากขึ้นแต่หมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงภายในเหมือนกับเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยวัตถุปร ะ, ประสองค์อย่างหนึ่งคือเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้างในหลายคนมาปฏิบัติธรรมเพราะต้องการ ใจเย็นมากขึ้นนะับยังชั่งใจมากขึ้นหรือว่าอ่หาหุ่นพันพล่นให้น้อยลงแต่ก็มีหลายคนนะที่แม้จะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะแต่ว่าไปไปจิตอาสาที่โรงพยาบาลบ้างที่บ้านปักเกตบ้างหรือที่อื่นบ้างปรากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะอันนี้ก็เรียกว่าอ่านะ เกิดประโยชน์ตนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ทําประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนี่นะที่สําคัญคือประโยชน์ด้านในหรือความเปลี่ยนแปลงภายในแล้วพอเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในที่ว่าใจเย็นมากขึ้นหนึ่งหรือสุ ข, ขุมมากขึ้นรับฟังคนอื่นได้มากขึ้นเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ดีขึ้นนะและสิ่งที่ตามมาคือความสุขนะ มีเรื่องระหองระแหงน้อยลงนะเป็นความสุขที่เกิดจากทั้งการทำความดีเพื่อช่วยผู้อื่นและเกิดจากนิสัยใจคอที่เปลี่ยนไปยังมีความสุขที่เกิดจากความภาคภูมิใจนะที่ได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนให้มีความสุขอย่างมีคนถามน้องอัดเนี่ยนะที่เป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกที่บา้านรที่โรงพยาบาระลราวิธีเนี่ย ว่าทำไมถึงมาเป็นจิตอาสาช่วงปิดเทอมหรือแม้กระั่งเปิดเทอมแล้วก็ยังหาเวลาว่างนะมาเป็นจิตอาสาแค่ตอบสั้นๆนะผมถามแล้มีความสุขครับนะอันนี้ก็ตรงอับที่พุทเจ้าตัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขนะยอมแต่ละความสุขการให้ความสุขไม่ได้ทําให้เราทุกข์เลยนะอาจจะเหนื่อยนะอาจจะเสียเวลาหรืออาต้องมีเวลาที่จะไปเที่ยวน้อยลง นะแต่ว่าเกิดความสุขสุขที่ได้ช่วยคนอื่นสุขที่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในคนที่งุดขี้งุดหงิดใจร้อนมูวามพอใจเย็นมากขึ้นมีเห็นมีผลมากขึ้นหรือฟังคนอื่นมากขึ้นเนี่ยมันมีความสุขนะนะเพราะความรุ่มร้อนภายในเนี่ยที่มารบกวนจิตใจมันก็น้อยลง แลสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่ได้มาวัดมาเจริญสตินะแต่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะที่เราก็สามารถจะทำได้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม